เป็นวันพระเป็นวันอุโสถของวาสุวาสิกาซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตัดสร้ในโลกประทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไว้เหมือนกัน แม้แต่เทวดาก็ยังถือวันแปดคำวันสิบห้าคำเป็นวันไหว้พระเกตแก้วจุลมณีเจดีย์ถึงวันเช่นนี้มาพวกเทวดาก็ได้ดอกไม้ทูกเทียนอันเป็นทิพย์พร้อมใจกันมาแต่สวรรค์หกชั้นนุ่นมารวมกัน แต่เทวดาไหว้นะีพว่าเดินเวียนประทักขินสามรอบแล้วก็จุดทุกเทียนบูชาแล้วก็กราบอพรพระเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระขี้ยวแก้วของพุทธเจ้าแล้วก็บรรจุเครื่องทรง ของพระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จออกบวชได้แต่งตัวเต็มยศเสด็จออกไปบวชเมื่อคติการะมหาพรหมนำผ้าไกลจีวรก บ, บาดมาถวายแล้วพระองค์ก็จึงได้เปลื้อง เครื่องทรงของกษัตริย์นั้นออกแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอันนี้แทนอธิษฐานเพศบัณฑปชิตด้วยพระองค์เองในขณะนั้นไม่มีใครเป็นอุปชาอาจารย์บวชให้พระองค์แล้วเมื่อพระองค์นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เก็บ เครื่องทรงของกษัตริย์นั้นรวมๆกันเข้าแล้วก็อธิษฐานการออกบวชครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังความสุขอื่นใดในโลกอันนี้มุ่งหวังให้ได้ตัดสัุ้สัมมาสัมพทธิยานถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ตัดสัุ้สัมมาสัมพทธิยานในการออกบวชครั้งนี้ก็ขอให้เครื่องทรงอันนี้อย่าได้ตกลงมา สู่พื้นดินให้ลอยอยู่บนอากาศอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นไปเครื่องทรงอันนั้นก็ลอยอยู่บนอากาศไม่ตกลงมาพญาอินทารทาชจึงได้สเสด็จตรงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นอัญเชิญขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวริงได้ไปสร้างพระเจดีย์ ปฏิสถานไว้ตอนพักคิ้วแก้วนี่พญายินมาเอาจากโทนพรามไปตอนที่ถวายพระเพลิงพระบรมมสาหริกราตาของพระองค์เสร็จแล้วนั่นนมันแบ่งพระบรมธาตุให้เมืองต่างๆที่ยกขบวนกันมาขอ ส่วนโทนพราหมณ์นั้นนะ่ะก็นึกคิดในใจว่าเราจะเอาพระเขี้วแก้วอันนี้ไว้กวายบูชาก็เก็บเอายัดใส่ไว้มวยผมโดยไม่ใครรู้เห็นเลยพญอินพิจารณาดูว่าพระเขียวแก้วนี่มันสมควรจะมาอยู่สวรรค์สมควรต่ที่เป็นที่เทวดา ทั้งหลายก่าบไว้สักการบูชาไม่สมควรเก็บคนผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาไปสักการบูชาด้วยตนเองพระยาอินได้ดำริอย่างนี้แล้วก็จึงลงมามาเอาพระเคี่ยวแก้วอันนั้นไปประดิษฐานไว้ในพระเกศแก้วจุลมานีเจดีย์กับพระเกศสาธาตุของพระองค์ ก็อธิษฐานพร้อมกันแล้วกับเครื่องทรงตรงรองพระเพรแก้วจุลมณีเจดีนั้นมีเครื่องทรงกับพระเกษากับพระเกียวแก้วที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีนั้นพวกเทวดาก็ได้ถือเอาพระเจดีนั่นะ เป็นปูชนียสถานเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สกักการบูชาเข้าใจว่าคงจะไม่ทั้งหมดหรอกเทวดามาไหว้พระเกตแก้วจุลมณีเจดีย์เพราะพวกที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าแต่เขามีสินอย่างนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกัน เขามีสินเนาะเขาไม่ทำบาปอันนเขาก็ไปสวรรค์มันก็เหมือนอย่างคนที่น่อยู่ในโลกมนุษย์นี่เลยบางคนไม่เขาวัดหรอกแต่ว่าเขาจำสินเขาไม่ทำบาปอย่างนี้ก็มีมันมีหลายประเภทคนเราในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่ ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรอย่างแรงกล้าไดอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบำรุงด้วยาศาสนาวัตถุด้วยาศาสนาธรรมไปจนเต็มความสามารถของตนแล้วเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์ก็คน คนเหล่านี้แหละไปเป็นเทวดาแล้วไปไหว้พระเขตแก้วจุลมณีเจดีย์เทวดาก็มีสถานที่กราบที่ไหว้แต่ว่าไม่มีผู้แสดงธรรมให้ฟังอย่างกว้างขวาขงหรือว่าไม่มีทักษิณายบุคคล เหมือนอย่างมนุษย์โลกเราหรือไม่มีเนื้อดาบุญเหมือนอย่างมนุษย์โลกเราแต่นมนุษย์โลกนี่มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้บวชตามพระองค์ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาละชั่วทําดีชําระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ จากบาปโทษมนทินอันนี้สำหรับผู้ต้องการบุญกุศลก็จึงได้ทาบุญถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้เขาคงหมายเอาชาวพุทธนี่แหละบุคคลที่ไม่เป็นชาวพุทธเขาก็ไม่เขาก็ไปทาบุญในศาสนาของเขาเป็นธรรมดา นี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางวุทธศาสตร์สนาแม้แต่เทวดาก็ยังพากันมาเคารพนบไหว้กเกตแก้วจุลมณีเจดีอันเป็นปูช น, นสถานเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกที่นี้พวกเรา ได้มีวัดวอารามีโบสถีหานพระเจดีมีลูกพระพุทธเจ้าเป็นปูชนียวัตถุที่เรากราบไหวรษษครบรับบูชาอยู่แทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าผู้ที่มีโอกาสก็ได้ชักชวนกันไปประเทศอินเดียไปกราบไปไหวปูชนียสถานต่างๆ ในประเทศอินเดียมันก็ไปได้เพียงครั้งเพียงคราวเท่านั้นเองเพราะค่าพาห น, นะมันแพงมากสำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงประเทศอินเดียก็ได้เราปฏิบัติธรรมนี่รู้ธรรมเห็นธรรมภายในจิตใจนี่ก็เท่ากับว่าเห็นพระพุทธเจ้า เราเคารพต่อพระธรรมนี่ก็เท่ากับว่าเราเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้พระสงฆ์เพราะว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องทำบุคคลให้บริสุทธิ์พุทผพ่องได้คนทุกข์คนภัยไปได้พระพุทธเจ้าก็ตัดสรูปแย้งในพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็มาบรรลุมรรคผล รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไวน้นี้นั่นอุปมาเหมือนอย่างบอ่อน้ำที่มีบุคคลผู้หนึ่งหรือว่าหลายคนขุดเจาะลงไปจนถึงสายน้ำใหญ่น้ำก็ออกมามากทีเดียวในบอ่อนั้นบัานี้คนทั้งหลายก็พลังไหลกันไปตักออกมาบริโภคใช้สอย ตักไปแล้วมันก็อออกมาเหมือนเดิมเพราะมันไปถูกทางสายน้ำน้ำนี่มันมันไปเป็นสายในพื้นดินนี่นะมันซึมไปเป็นทางเป็นทางไปไม่ใช่ว่ามันไปเลอะอยู่หมดทั้งใต้แผ่นดินนี่ไม่ใช่อันแะเมื่อขุดลงไปยังว่าบ่อใดถ้าไปถูกสายน้ำใหญ่แล้วไม่แห้งเลย ถ้าบางบอกขุดลงไปไม่ถูกสายน้ำใหญ่ถูกสายน้ำน้อยเพียนเป็นน้ำซึมเ่นี้ก็ไม่พอใช้เลยเป็นไปงั้นอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปียบเหมือนอย่างน้ำในบ่อนั่นเองนะใครจะปฏิบัติศึกษาเรียนจำเอาได้มากกลับมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน อันพระธรรมคาสอนนั้นก็ไม่หมดไม่สิ้นอืมผู้ได้รับเอาไปปฏิบัติตามผู้นั้นก็เห็นผลด้วยตนเองถ้าปฏิบัติให้ถูกทางก็ได้ความสุขความเย็นใจเห็นเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ใช่จะให้ผู้อื่นพยักกรให้ว่าท่านปฏิบัติแล้วได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งที่ตนเองยังมองไม่เห็นผลแห่งการปฏิบัติอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เราปฏิบัติตรงไปให้มันเห็นด้วยปัญญาของเราเองว่าการเราปฏิบัติตามพระธรรมนี่เราได้ความสงบจิตใจเราได้ความสบายใจเราละบาปได้เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนได้ เหตุร่านจิตของเราจึงเบิกบานผ่องไสพอบาปมันระ ง, งับไปนี่ก็รู้ก็เห็นอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละอตนละบาปได้ก็รู้แจ้งในใจตัวเองอย่างนี้นะตนสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจของตนตนก็รู้แจ้งในขณะใดที่ตนภาวนาน้อมสติเข้าไป คองจิตเพ่งจิตอยู่เป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมันละอารมณ์ต่างๆภายนอกได้หมดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอาศัยสตินั่นแหละควบคุมจิตอยู่ไม่ให้จิตมันพลิกไปทางอื่นนี่จิตนี่นะที่มันไม่รวมลงได้ก็เพราะมันยึดอารมณ์มาในหนึ่งอยู่ อารมณ์นั้นผลักดันจิตให้ฟูอยู่ไม่ให้มันรวมลงไปสู่ที่เดิมของมันมันมันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่มันไม่สงบแล้วน่นนะให้เข้าใจดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการเพ่งจิตคมจิตตงไว้อย่าให้มันฟูไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อสติมันเข้มแข็งสามารถคมจิตไปได้ กิเลสมันไม่มีอำนาจจะผลักดันจิตใจให้พุ่งสร้างเลื่อนลอยไปได้มันก็อ่อนกำลังลงในที่สุดมันก็ระงับไปพออารมณ์ต่างๆมันระงับจากจิตใจลงไปหมดใจนี่มันก็รวมลงเองมันเลยนี่บุโดยไม่ต้องได้ข่มแล้ววันนี้มันรวมลงเองมันบางคราวมันก็จิตมันรวมลงเหมือนกับเคลิอมหลับไปนี่แหละ แต่ไม่ใช่หลับนะคือมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันกลับไปรู้ตัวขึ้นในภายหลังแบบนี้รู้จิตนั่นแหละรู้จิตว่าจิตนี่ปราศจากอารมณ์ต่างๆแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอิ่มอยู่ด้วยความสงบไม่อยากคิดไม่อยากนึกไปทางไหนแล้วบับนี้ เพราะว่าการใช้ความคิดมากเป็นทุกข์มันเห็นมันรู้มันเทียบกันได้การหยุดคิดนั้มันมีความสุขมากเมื่อเห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างนี้เพลองมัน่ะฉะนั้นทุกคนใด้ภาวนาให้มันเห็นผลอย่างว่าอย่าให้ภาวนาไปโดยไม่รู้เรื่องว่าจิตมันรวมลงก็ไม่รู้อย่างนี้ จิตไม่รวมก็ไม่รู้มันใช้ไม่ได้แบบนั้นนะเมื่อจิตมันไม่รวมลงไม่สงบลงก็รู้อย่างนี้นะมันรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ว่าจิตมันฟูอยู่นั่นแหละมันไปรับแต่อารมณ์ยับยาบอยู่มันคอยจะคิดส่งไปข้างนอกอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตมันไม่รวมลงแล้วก็เพ่งจิตอันนั้นแบเรื่อยไป วันนี้อาศัยสติกับกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ตรงนั้นหายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ไม่ได้คิดไปไหนนี่เราทำอยู่อย่างนี้นานเข้า น, านานเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันไม่ยอมให้จิตคิดทุ่งส่้างไปทางอื่นแล้วอย่างนี้ จิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปทีนี้เมื่อมันคลายอารมณ์นั้นออกไปมันรู้สึกมันเบานะมันเบาเหมือนปลอดโปร่งเมื่อเป็นเช่นนี้มันถึงได้รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ได้โดยลาพังเพราะมันไม่มีการยึดถือสิ่งใดๆทั้งหมดมันจึงรวมอยู่ได้โดยลาพัง ถ้ามันมียึดอารมณ์อะในอันหนึ่งไว้ในใจแล้วมันรวมอยู่นานไม่ได้เลยอารมณ์นั่นแหละปั่นจิตให้คิดไปมันไปนอย่างนั้นก็ก็ไม่นอกเหนือไปจากเรื่องน่ารักเรื่องน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวเรื่องน่าเศร้าโศกเสียใจก็เรื่องเหล่านี้แหละที่ใจมันยึดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง มันทำปั่นจิตให้คิดฟุ้งไปไม่หยุดยั้งนะเรื่องความผิดหวังอย่างนี้นะทำอะไรแล้วไม่ได้สมหวังก็เก็บออกมาคิดอยู่นั่นแหละมาวิจาร์อยู่นั่นนะวิจารไ์ไปเท่าไหร่ยิ่งกลุ่มใจไปเท่านั้นไม่มีอุบายที่จะสอนใจให้ละเมื่อเราภาวนา ก็ไปอย่างนี้แล้วเราก็มันก็ต้องมีอุบายสอนใจไอ้สิ่งที่มันผิดหวังนะี่มันก็ผิดมาแล้วมันร่วงมาแล้วเราจะคิดยังไงยังไงมันก็มันก็ไม่สมหวังเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้อย่าเปนคิดอย่าคิดไปเลยเสียดีเสียดีกว่าอืมคิดแล้วก็เป็นทุกข์เปล่าไม่เพลนไปตามใจหวังอืก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนั้น เมื่อจิตมันได้รับคำตักเตือนอย่างนั้นนะมันก็รู้ตัวเออจริงนะเพราะว่าความสมหวังและผิดหวังที่ร่วงมาแล้วนั้นมันก็ร่วงมาหมดแล้วเราจะเหตุทำยังไงให้มันได้สมหวังตามที่คิดไว้นั้นก็ไม่ได้เพราะมันร่วงเลยมาแล้วมีแต่มาตั้งต้นใหม่เท่านั้นแหละ ฝึกใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วทำกุศลคุณงามความดีไปหรือว่าผู้มีหน้าที่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ตั้งใจทำไปด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าอย่าไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเสียใจดีใจต่างมาไว้ ถ้ายินดีก็ให้ยินดีในบุญในกุศลในความดีที่ตนทำหรือยินดีอยู่ในคุณพระรัตนกรยนั้นให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านั้นแล้วเราทำมาหาเลี้ยงชีพไปทำการทํางานไปมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคอยเข้าใจตามนี้กันก็แล้วกันนะไอ้ความมุ่งหมายนะ ความุ่งหมายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะดังที่ในมัชมีองค์แปดประการนะัลองพิสู่ดูสิพระ อ, องค์ไม่ได้ห้ามไม่ให้คนไม่ได้ห้ามไม่ให้คนทำงานดังที่แสดงในองค์มัชสัมมากมัมโตการทำการงานชอบนี่แสดงว่า ผู้ที่ปฏิบัติทำคำสองเจ้าเจ้านี่ก็ทำการทำงานเลี้ยงชีพตามเดิมนั่นแหละใครมีอาชีพอย่างไรก็ทำไปแต่ว่าให้เลือกทำเี็ยการงานที่ปราศจากโทษเท่านั้นเองนะการงานอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็เว้นไม่ทำมันเราเลือกทำแต่การงานที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้น นี่ความหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้าในองค์มรรคนี่นะอให้ทําอย่างนั้นเรีนวาจาก็เหมือนกันเอเมื่อผู้ปฏิบัติทำแล้วไม่ใช่ว่าไม่ห้ามไม่ให้พูดอะไรต่ออะไรจรึง่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้ น, นให้พูดแต่ว่าพูดอยู่ในหลักแห่งความดีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูด เช่นพูดแต่คำจริงไม่พูดคําเท็จอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดสอเสียดยุทรง่ายยุดยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันพูดแต่ความสมานไม่ตรีจิตมิตรภาพคือเช่นอย่างว่าคนเขาทะเลาะ ก, กันเนี่ยหากว่าเรามีหน้าที่ที่จะไปไกลเกี่ยเขาให้เขาเลิกแล้วกันไปให้เขากองรองสามัคคีกันเรามีความสามารถ เราก็พูดกับเขาไปพูดให้เขาเอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเลยอย่างนี้นะถ้าเราพูดได้อย่างนั้นเขาเลิกแล้วแก่กันไปไม่ทะเละา่วิวาดกันสามัคคีพองรองกันผูพ้พูดก็ได้บุญได้กุศลเนี่ยเป็นอย่างนั้นโกงกันข้ามถ้าพายุให้เขาทะเลาะกันไปไปเข้าข้างใดคนหนึ่ง ก็ได้บาปอะไนี้โกงเงินข้ามเลยมันเป็นอย่างนั้นพูดแต่คำอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบคายต่อกันและกันคำใดที่เป็นคำอ่อนหวานเราก็รู้กันทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกอันนี้นะคำใดเป็นคำหยาบ ก, ก็รู้กันก็เพราะฉะนั้นเราก็เลือกพูดแล้ว คำใดเป็นคำอ่อนหวานล้วก็พูดคำนั้นคำใดเป็น ค, นคำหยาบโลนะเช่นด่าพอ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันหรือว่าเปรียบเทียบคนเป็นศูนนักบอเป็นลิงเป็นค้างอะไรไปทำลองนั้นนะนั่นท่านเรียกว่าคำหยาบอย่าเอามาพูดเลยผู้ปฏิบัติธรรม ต้องให้เว้นเพราะฉะนั้นแหละการเลี้ยงชีวิตก็ให้เลี้ยงแต่ในทางที่ชอบอืมชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมถ้าพิจารณาเห็นว่าการทํามาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้มันผิดศีลผิดธรรมเราก็เว้นนะไม่ทํามันแม้ว่ามันจะรวยได้เงินได้ทองมากก็ไม่เอา เพราะว่ามันเป็นบาปเป็นโทษมันจะนําทุกข์มาให้ในทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปเราหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตแม้จะได้น้อยนี่ก็อย่าไปเนื้อน้อยเนื้อตามใจเมื่อเรามันได้มันน้อยเราก็บริโภคใช้สอยตามน้อยนั่นแหละล้วถือสันตทํามีตามได้หามาโดยทางสุจริตได้เท่าไหร่ก็บริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้น พูดเพ้เอเจ้อเล้วไหลพูดไม่มีประโยชน์อะไรบางคนน่ะเข้าหมู่แล้วไปทราบเรื่องอะไรต่ออะไรหลังไหลออกมาโดยไม่มีเหตุมีผลสำคัญว่าตนนั้นพูดเก่งให้สังคมเขายกย่องว่าตนนั้นพูดเองพูดเก่งอย่างนี้ไม่ถูกต้อง พูดอะไรมันต้องหาเหตุหาผลนึกว่าจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยพูดไปถ้ามองไม่เห็นเรื่องที่ควรจะพูดก็นิ่งเสียเลยดีกว่าถ้ามองเห็นว่าเออเวลานี้ควรพูดอย่างนั้นมันนจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นคิดได้อย่างนี้แล้วก็พูดไป นี่นะพากันเข้าใจฉลาดพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตพูดชั่วตัวกระตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดคนเราได้ทะเลาะวิวาดกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะพูดจากันนี่แหละพูดคำไม่ตกลง ไม่ถึงไม่เพียงเดียวทะเลาวิวาลฆ่ากันตายมีเยอะแยะเกือบทุกวันเลยเกิดขัดแย้งโวมคิดคอมเมนอะไรกันมาแล้วบางคนก็มีอาวุธอยู่ในตัวพอตกลงอะไรก็ไม่ได้กอดชักอาวุธออกมายิงกันตายมีวันีมีทมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยพากันคิดกันพิจารณาให้มันดี อย่าให้กิเลสปาประธรรมเกิดขึ้นในใจของเราพู่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้ารู้ว่าตนมีบาปมีกรรมอะไรก็เพียนละเว้นไปด้วยการทำข้อว่าปฏิบัติสามประการนี่แหละการให้ทานเป็นการกำจัดความโลภคนตนีการรักษาศีลเป็นการกำจัดความโกรธความพยาบาทให้ออกไปจากกิจใจ การฟังธรรมการภาวนาเป็นการกำจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆให้ออกไปจากใจแล้วให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ใน ม, มิใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็จะสำเร็จได้ด้วยปัญญายานอันประเสริฐดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้